พวกเราจะเคยได้ยินสำนวนสำนวนหนึ่งที่เขาใช้เปรียบเปรยถึงคนประเภทหนึ่งนะอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินอย่างทีเขาไม่ได้ใช้คำว่ากินนะสำนวนจริงเขาใช้คาว่าแดกนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนนี่หมายถึงค น, นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งช่ อยู่ น, นิ่งเมื่ อ, อไหรก็หลับนะตื่นขึ้นมาก็จะเอาดีในทางการบริโภคนะกินตลอดเวลาคนประเภทนี้ก็จะว่าไปก็มีไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่านะคือนิ่งเป็นหลับนะขยับเป็นฟุง้งนะถ้าอยู่นิ่งเมื่อไหรก็หลับนะแต่ถ้าขยับหรือตื่นก็จะฟุ้งนะนะฟุ้ง ทั้งวันเลยนะไม่ว่าทำอะไรใจก็ฟุ้งกินข้าวปากกินแต่ใจก็ฟุ้งหรือว่าถูฟันอาบน้ำใจก็คิดล่องรอยไปแ่าแต่บางทีฟังธรรมใจก็ฟุ้งไปตัวอยู่นี่นะ่แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนอันนี้เป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะถ้าอยู่นี่นึกเมื่มอไรก็เป็นหลับนะ แต่ว่าถ้าตื่นเมื่อไหร่หรือว่าขยับนะก็จะฟุง้งจริงๆตอนหลับก็ไม่ใช่หลับเฉยๆนะหลับก็ฝันไปด้วยที่เขาเรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนแค่ฝันนะเพราะว่ากลางวันแต่ถ้าอยู่นิ่งๆไม่เขยอนขยับ ก, ก็ก็หลับเหมือนกันแล้วก็ฝัน คนส่วนใหญ่หรือพวกเราก่อนปฏิบัติก็คงจะเป็นแบบนี้แหละนะนิ่งเป็นหลับนะพอขยับก็ฟุ้งเลยทำอะไรก็ไม่ค่อยมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ไม่มีความสึกตัวแต่พอมาปฏิบัติแล้วนี่ก็ขยับเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเมื่อขยับก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นขยับมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมก็ เริ่มจะรู้สึกตัวแต่ว่าท้านิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นหลับเมื่อ น, นั้นถ้าไม่ได้เคยยื่นขยับมือนะนั่งนิ่งๆก็เป็นอันหลับอันนี้ก็เรียกว่าก็ยังดีนะมีพัฒนาการนะจากเดิมนิ่งเป็นหลับขยับเป็นฟุ้งก็เปลี่ยนมาเป็นนิ่งเป็นหลั บ, บ, น, มม น, น, น, ลบนะขยับเป็นรู้สึกตัวหรือขยับก็รู้สึกตัวงั้น ใหม่นี่ก็ต้องขยับนะต้องขยับแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างจังหวะไม่ใช่ไม่ได้เดินจงกรมแต่ว่าเราอยู่ในห้องน้ำเราก็ขยับนิ้วหรือว่าอาจจะกระพริบตาอันนี้มันจะช่วยปลุกนะปลุกความรู้สึกตัวก็เรียกว่าปลุกธาตุรู้ให้เกิดขึ้นแต่ว่า ใหม่ๆเนี่ยพอพอไม่ขยับเมื่อไหร่นหรือพอนิ่งนะก็จะง่วงนะแล้วก็หลับนอกปฏิบัตินะเราต้องอย่าไปอย่าหยุดอย่าพอใจแค่นี้นะจะต้องไปให้มากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็จะรู้สึกตัวแต่เฉพาะตอนขยับยกมือสร้างจังหวะ แต่ว่าพอนั่งนิ่งๆนะก็จะค่อยๆเพลิมหลับไปความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นจากการสร้างจังหวะมันอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวถ้าอยู่สร้างจังหวะอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่นะก็เป็นหลับบางทีก็สับประงกเลยอันนี้เราก็คงสังเกตได้นะจากตัวเราเองก็ดีหรือว่าจากคนที่อยู่รอบข้างเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมัน มันอยู่ได้ไม่นานมันต้องขยับอยู่เสมอถ้าหยุดขยับเมื่อไหร่ก็จะความสึกตัวค่อยๆหายไปและความง่วงหรือถินนิมิตะก็มาแทนที่คงคล้ายๆกับไฟชายนะไฟฉายบางชนิดนี่ถ้าบีบหรือว่าหมุนมันก็จะมีไฟมันมีไดานาโมอยู่ข้างในบางทีเราไขาลาน ป็เดี๋ยวเดยวไขลานไม่นานมันก็มีไฟอยู่ในนั้นเนี่ยนานเป็นชั่วโมงแต่ว่าพอใช้ไปนานๆเข้าหรือว่าสารไฟฉายที่ไฟฉายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไขาลานไปได้สักพักไอตอนไขาลานนก็สว่างนะแต่พออยุดไขาลานมันก็ค่อยมอดเพราะว่ามันเก็บไฟได้ไม่นานก็ต้องหมุนต้องไขาลาน อยู่เรื่อยๆหยุดขาย้านเมื่อไหรไฟก็ค่อยมอดเ mm hmm. มือนการนักปฏิบัติจำนวนมาก mm hmm. จะรู้สึกตัวได้ก็ตอนยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมแต่ว่าพอหยุดสร้างจังหวะอยู่นิ่งๆนะ mm hmm. ความรู้สึกตัวค่อยลดลงลดลงลดลงเห mm hmm. มือนกับไฟที่ค่อยหลีลงหลีลงแล้วก็ดับ mm hmm. ก็คือง่วงแล้วก็ บางทีก็สับประงกไปเลยอันนี้ไม่ยังเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติใหม่ๆก็ได้เก่าๆนี่ก็ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะมันก็จะรู้สึกตัวแต่เฉพาะเวลาขยับหรือเวลาเดินนะแต่พอมานั่งนิ่งๆอย่างเช่นมานั่งฟังเนี่ยนะพอไม่ขยับเมื่อไหร่ก็จะค่อยๆง่วงอันนี้แสดงว่าความสึกตัวนี่มันยังไม่ไม่ ไม่สถิตมากเท่าไหร่เราต้องกล้าไปสู่อีกขั้นนึงก็คือว่านิ่งก็รู้สึกตัวขยับก็รู้สึกตัวไม่ใช่นิ่งเป็นหลับนะขยับถึงจะรู้สึกตัวได้แม้ว่าไม่ไม่ขยับก็ก็ยังรู้สึกตัวได้แม้อยู่นิ่งๆที่จริงจะว่ามันนิ่งทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะ มีลมหายใจเข้าออกก็รับรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นแม้ว่าดูเหมือนนั่งนิ่งๆแต่ว่าความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นจากลมหายใจที่เข้าและออกก็ยังรับรู้ได้หรือว่าตาที่กระพริบหรือว่ากลืนน้ำลายไอ้พวกนี้เป็นความเป็นมันสามารถจะเป็นตัวสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมอย่างเดียวถึงจะรู้สึกตัวหยุดสร้างเมื่อไหร่ หยุดเตือนโยกมืเมื่อไหล่นั่งเฉยๆนะก็จะค่อยๆง่วงโง่อันนั้นก็แสดงว่าความสึกตัวของเรามันยังมันยังไม่ดีพอที่จริงแล้วเนี่ยแม้ขณะที่นั่งนิ่งๆมันก็มีความรู้สึก ม, มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้ยกมือถึงแม้จะไม่ได้เดินเป็นความเคลื่อนไหวที่ ค่อนข้างประณีตนะเช่นลมหายใจเข้าและออกนะสังเกตมหมลมหายใจเข้าออกนี่หรือว่ารืนน้ําลายมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกตัวหรือปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่การกระพริบตากระลิบตาก็รู้สึกตัวหลวงพ่าเทียนท่านสอนให้ให้มีความรู้สึกในอิเลียบ ท, ที่เล็กน้อยนะ ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกตัวแต่เฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะนั่นะถ้ามีความสึกตัวอยู่แต่เฉพาะการเดินจงกรมสร้างจังหวะพอหยุดจงเดินจงกรมเมื่อไหร่พอหยุดสร้างจังหวะอย่างเช่นมันนั่งฟังเนี่ยพอ nang fang นี้ก็ให้ความสึกตัวค่อยหลีลงหลีลงหลีลงก็หายไปนะกลายเป็นหลักแล้วก็ตามมาโดยสับปะงก อันนี้ยังไม่ใช่เป็นยังไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติที่มีความที่ฉลาดในการสร้างความรู้สึกตัวเพราะถึงแม้ว่าเรานั่งนิ่งๆน้องยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกายของเราอย่างที่บอกวเวลาเช่นลมหายใจเข้าออกหรือว่าการคลึงนิ้วครึงนิ้วก็ยังหยาบอยู่ถือว่าไม่คลึงนิ้วแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เข้าและออก ยังรู้สึกได้ถึงตาที่กระพริบยังรู้สึกได้ถึงน้ําลายที่กลืนลงไปเราต้องรู้สึกตัวแม้กระทั่งในการเคลื่อนไหวที่ละเอียดนะอย่าไปอย่าไปรู้สึกตัวหรือว่าตื่นแต่เฉพาะเวลามีความรู้สึกตัวเวลามีการเคลื่อนไหวแบบหยับๆยาบในความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยับหยาบนี่มันยังไม่พอนะ ยกมือสร้างจังหวะเดินจังกรมอันนี้ยังถือว่าหยาบอยู่เราต้องทําให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันมันไวนะเกิดขึ้นด้วยแม้เพียงการขยันขยับเพียงเล็กน้อยลมหายใจเข้าออกนะรู้สึกหรือน้ําลายก็รู้สึ ก, ห ร, รสกหรือว่ากระพริบตาก็รู้สึกหรือว่าถ้ายังทําไม่ได้แนละ้วก็ใช้วิธีการคลึงนิ้วไปก็ได้นะ อย่าไปติดอยู่กับการสร้างจังหวะอย่างเดียวนะเพราะพออยู่สร้างจังหวะเมื่อไหร่ก็จะง่วงงกได้ง่ายเพราะว่าไปพุ้นชินกับการเคลื่อนไหวแบบหยับหากต้องลองรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวที่ละเอียดนะกว่าเดิมการขึง น, นิ้วการพลิกมือไปมาการกืนน้ำลายการหายใจเข้าออกการกระพริบตานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนนั่งเฉยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรับรู้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอกับการเคลื่อนไหวของกายในส่วนย่อยส่วนละเอียดซึ่งก็ทําให้อ่าไม่หลับแต่เท่ากับว่าเก่งแต่การสร้างจังหวะการเดินจงกรมแล้วไม่รู้จักใช้อิเลียบทย่อยพอนั่งนิ่งๆพอนั่งฟังนี่เดี๋ยวก็ค่อยง่วงค่อยงกไปละ เพราะว่าไม่รู้จักใช้การเคลื่อนไหวที่ละเอียดที่ย่อยลงไปอย่างที่บอกนะการครึงนิ้วก็ดีนะการตามลมหายใจการกระพริบตาเลือนน้ำลายให้เราใช้ลองใช้อิเลียบทย่อยอย่างนี้ดูบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้นะ่มันก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าดิงเป็นหลับนะขยับถึงรู้สึกนะแล้มันจะพัฒนาเป็นว่า นิ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกท่นใครก็ตามที่ว่านิ่งเป็นหลับขยับถึงจะรู้สึกเนี่ยน ะ, ะก็ต้องต้องพัฒนาอย่างรู้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยให้สัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวของเรานี่มันยังมันยังหยาบอยู่ก็ให้ทำใช้อิเลิบบทละเอียดใช้อิเลิบบทย่อยเพื่อที่สามารถจะปลุกความรู้สึกตัวได้เมื่อนิ่งนะก็รู้สึกตัวได้ ม่ใช่วันนึ่งแล้วก็เป็นอันเป็นสับประงกตง่วงอันนี้แหละมันก็จะทําให้นะความสุขดวงเราเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกรู้สึกนี้นี้คือรู้สึกตัวถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวกายอย่างห ย, ยาบหยาบเพียงแค่มีการเคลื่อนไหวกายอย่างละเอียดเช่นกระดิกนิ้วหายใจเข้าออก เกือ น, น้ำลายกระพริบตานะก็รู้สึกได้เราก็จะเรียกว่าตื่นรู้อยู่เสมอตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรานะควรจะฝึกให้มันรู้ตัวซึ่งจะทำให้เรามีความรู้สึกตัวได้อยู่เสมอไม่จาเป็นว่าจะต้องเคลื่อนไหวขยับให้มันแรงๆหรือว่าชัดๆหรือว่า รู้สึกตัวได้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างหยาบๆแม้การเคลื่อนไหวที่ละเอียดแม้การเคลื่อนไหวที่ประณนี่ก็รู้สึกได้เพราะว่าใจเราเนี่ยนะมันมันเริ่มละเอียดนะใจเราเริ่มละเอียดนะเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี่ก็สามารถปลุกใจให้ตื่นได้ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวอย่างหยาบๆงั้นถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตเราก็จละเอียดละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้น เหมืนก็นว่าโต๊ะนี่แต่ก่อนมันก็มีของวางอยู่เต็มโต๊ะไปหมดต่อมาเราก็ค่อยๆเอาของออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นก็ดูเหมือนว่ามันมันโล่งมันว่างแนะแต่ดูดีๆมันยังไม่สะอาดนะมันยังไม่สะอาดมันยังมีคราบมันยังมีฝุน่นเกาะใจเราเริ่มละเอียดมากขึ้นก็เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะเอาของออกไปจากโต๊ะแล้วแต่มันก็ยังไม่สะอาดมันยังมีคราบมันยังมีฝุ่นเกาะ อ, อยู่นะเรา ก, ก็ค่อยเช็ดค่อยๆถูมันออกไปตอนนี้มันก็สะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเราดูอีกทีมันก็ยังไม่สะอาดทีเดียวนะเราจะเห็นความความสกปรกที่เกาะแม้แต่เป็นแค่ฝุ่น ที่มันอยู่ก่อดอยู่ที่โต๊ะจิตของเราก็เหมือนกันนะใหม่ๆนี่เราก็ปฏิบัตินี่ก็รู้สึกว่าไอ้ความคิดต่างๆมันความปรุงแต่งน้อยลงแต่ถ้าเราปฏิบัติไ ป, ปไปไปปฏิบัติก็จะรู้ว่าโอ้มันมีความปรุงแต่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกเยอะแล้วมันก็แม้จะเป็นความปรุงแต่งที่ละเอียดนี่เราก็สามารถที่จะรู้ทันได้ ในตนาดีการจิตของเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปไปเปืนๆไปมันก็จะประณีตมากขึ้นเพียงแค่ความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆ น, นะก็ทําให้จิตตื่นได้ไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมนะแค่กระพริบตา่จิตมันก็ตื่นได้เพราะว่ามันอ่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยมันก็สามารถจะปลุกจิตให้ตื่นไม่ต้องปลุกจิตให้ตื่นด้วยอาการห ย, ยาบยาะเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะ แม้แต่การเคลื่อนไหวที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถจะขย่อจิตให้ตื่นได้เช่นกับพิษตากลือน้ำลายตามลมหายใจนอกปฏิบัติก็ต้องต้องฝึกการใช้อิลียบทย่อยอิเลียบ ท, ที่ประณีตด้วยไม่งั้นถ้าเกิดว่าไปติดอยู่กับแค่การใช้การเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะ เวลาเราไปที่อื่นเนี่ยเช่นเวลาเรานั่งรถประจําทางหรือว่าเราไปนั่งฟังเราอยู่ในห้องประชุมถ้าเราจะไปยกมือสร้างจังหวะนนมันก็ก็ดูจะแปลกตาไปไอเดินยองโกมันเดินไม่ได้อยู่แล้วนะเราต้องรู้จักใช้เรียบทย่อยนะที่จะทำให้เราเกิดความสึกตัวนะ ปลุความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นอย่าไปติดอยู่กับแค่การใช้เรียบทยับหยาบเท่านั้นใช้เรียบทยับหยาบนี่มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเวลาเราเวลาเราเราลืมตัวไปอย่างอาจารย์ประโม ท, ท่านเคยเล่า ว, ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยก็ลองมาฝึกปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนดูมีความสึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นคารวาสอยู่ วันหนึ่งก็เห็นโยมเห็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่อยู่ถนอนอีกฟางหนึ่งไม่ค็ได้เห็นมานานก็ดีใจนะก็เรียกเขาแต่เขาไม่ได้ยินก็เลยก้าวเท้าเพื่อจะข้ามถนนพอขยับเท่านั้นแหละพอทาขยับเท่านั้นแหละความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเลยก็รู้ว่าอ๋อนี่เราลืมตัวไป เหมือนกับว่าการขยับเท้านี่มันไปปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นที่แลกความรู้สึกตัวมันทําให้เรารับรู้การขยับของเท้าของมือนะใม่หมายตอนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรารู้สึกตัวหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราถึงจะรับรู้การเคลื่อนไหวของกายได้ส้าใจลอยเมื่อไหลนั้นใจไปไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างมันจะไม่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายเลยไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหวหยับหยาบเช่นการสร้างจังหวะ ก, การเดินจงกรมแต่ว่านะพ อ, อใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าพอมีสติเรียกเรียกใจกลับมาอยู่กับกายใจก็จะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหววอ้อยกมืออ้อสร้างจังหวะอ้อกำลังเดิน ทีแรกเนี่ยรู้สึกตัวก่อนถึงรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนะต่อมาเนี่ยทำไปทําไปมันอา จ, จเป็นตัวข้ามกันก็ได้หรือกลับกันก็ได้คือว่าพอรู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวมันก็ไปดึงความรู้สึกตัวกลับคืนมาที่แรกรู้สึกตัวก่อนนะถึงจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแต่ตอนหลังเนี่ยเพียงแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายของมือ มันก็ไปเรียกเอาความสึกตัวกลับมาหรือไปเรียกจิตกลับมาอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวมันจะเป็นแบบนี้นะก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวที่เราฝึกให้หรือแนะนาให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมออย่างเช่นในระหว่างการฟังเราอาจจะคลึงนิ้วไปหรือเราจะสร้างจังหวะไปอันนั้นก็เพื่อว่าตอนที่ใจมันเผลอนะ ไปโน่นออกไปนอกศาลาจูจๆมันก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกตรงนี้แหละนะมันจะไปเรียกจิตให้กลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อจิตกรรมอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็รู้ว่ากำลังนั่งอยู่แล้วกำลังฟังฟังก็ได้รู้ เข้าใจเนื้อความได้อย่างต่อเนื่องเพียงแค่ความรู้สึกตัวนี่มันก็ทําให้เราสามารถจะฟังอะไรได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันต้องเป็นความรู้สึกตัวนะถ้าเราไปเพ่งเมื่อไหร่นะไปเพ่งอย่างเช่นไปเพ่งแต่ละคําแต่ละคําที่อัตมาหรือว่าผมกําลังพูดอยู่เนี่ยถ้าไปเพ่งมันเนี่ยอาจจะ จับใจความไม่ได้เลยว่าทั้งประโยชน์เมื่อกี้นี่พูดว่าอะไรไอการเพ่งเนี่ยเพ่งจอๆเนี่ยนะมันทําให้ไม่เข้าใจนะสิ่งที่พูดได้อย่างต่อเนื่องเราต้องรับรู้อย่างห่างๆหรือเรียกว่ารับรู้อย่างพอดีพอดีเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับคำพูดอย่างชัดเจนทุกคำทุกคำทุกคานี้ ฟังจบประโยคอาจจะไม่รู้เลยว่าทั้งประโยคนี้พูดว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกตัวนะไม่ถึงกับเพ่งเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราจะฟังแต่ละประโยคได้เข้าใจโดยที่ไม่ได้เพ่งและตรงข้ามถ้าเพ่งจะทําให้ไม่เข้าใจทั้งประโยคที่พูดแต่ในทางอีกทางนึงถ้าเกิดว่าปล่อยใจลอยนะปล่อยใจลอยมากไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็จะจับใจความไม่ได้ว่า นะที่อาตมารุอผมพูดเนี่ยพูดว่าอะไรมันต้องพอดีพอดีนะความสุขตัวเนี่ยมันคือการวางใจพอดีพอดีไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งหรือว่าไม่ปล่อยใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งมันอยู่ตรงกลางไปจ้องมากนะเดี๋ยวว่าแต่คำพูดเลยนะที่อาจจะฟัง ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ยินที่ท่วนว่าพูดอะไรเวลาเราดูก็เหมือนกันนะเวลาเราดูอย่างเวลาเราดูภาพเนี่ยดูภาพใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดู ร, มรวมๆถ้าเราไปจ้องที่มุมใดมุมหนึ่งนะเราก็จะไม่เห็นภาพรวมของภาพนั้นก็ไม่เข้าใจว่าภาพนั้นเขาต้องการซื้ออะไรให้การเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทาให้เห็นชัดนะบางทีมันทาให กลับทำให้ไม่ชัดเจนในสิ่งที่รับรู้ไดยซ้ำไม่ว่าจะรับรู้ทางตาหรือว่ารับรู้ทางทางหูเพ่งก็ไม่ใช่วิธีนะก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรือว่าฟุ้งหรือใจลอยก็ไม่ใช่เพั้นการความสึกตัวนี่มันเป็นความสึกมันเป็นการวางวางท่าทีหรือวางจิตแบบพอดีพอดีไม่ปล่อยใจลอย จนฟุ้งแล้วก็ไม่เพ่งจนกระทั่งอึดอัดแต่ใหม่ๆเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยใหม่ๆก็ถนัดแต่เรื่องการถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยมันเป็นความสุดต่งสองอย่างถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยถ้าไม่อยากให้ใจลอยก็ต้องเพ่งก็คือการบังคับจิตนี่เป็นเป็นธรรมชาติของใจ แต่ว่าเพราะนั้นพอเวลาเริ่มมาฝึกให้ใหมีให้รู้สึกตัวเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเพ่งเพ่งที่มือนะเพ่งที่เท้าแล้วมันก็จะหลอกเรานะว่าเป็นวิธีที่ถูกเพราะว่ามันรู้สึกชัดเจนดีนะเวลาเราเพ่งเนี่ยเพ่งที่เท้าเพ่งที่มือเนี่ยมันจะชัดเจนมากแต่ว่าชัดเจนมากๆนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะ หลวงพ่เขียนถ้าเคยเปรียบว่าเวลาไปเพ่งเนี่ยเพ่งมือก็ตามเพ่งเทา้าตามความสึกมันจะมันจะให้ความรู้สึกเรียกว่าถี่ยิบเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนกับเหล็กเส้นเหล็กเส้นนเนี่ยมันมันเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นตรงไปเลยจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเวลารู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นขณะดขนาขนาเปรียบเหมือนกับโซ่นะ แต่ละข้อแต่ละข้อที่เชื่อมร้อยกันนะโซ่กับเล็กเส้นนี่มันต่างกันนะเทาความรู้สึกนี่มันเหมือนกับเป็นโซนะ่คือค่อยๆรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะต่อเนื่องกันนั่แหละคือความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกต่อเนื่องชัดเจนนี่นะ่ะนั่นคือการเพ่งมันแตกต่างกันเช่นเดียวกับเล็กเส้นกับโซ่นะมันมันแตกต่างกัน โซนี่มันเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อมาเชื่อมร้อยกันความสึกตัวก็เหมือนกันนะเราจะรู้สึกมันเป็นความสึกแต่ละขนาดแต่ละขนาดที่ที่ต่อเนื่องกันแต่แล้วมันก็จะขาดช่วงไปเพราะว่าเผลอตัวเผลอใหม่ก็ทําให้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็มารู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวไปได้สักสิบสขณะหรือว่าเจ็ดแปขณะแล้วก็ลืมตัวก ใหม่ๆเนี่ยโซ่นี่มันจะเป็นโซ่ที่ขาดเป็นช่วงๆช่วงๆเพความรู้สึกตัวที่มันขาดเป็นระยะๆต้องปฏิบัติใหม่ๆก็จะไม่ค่อยชอบจึงอยากให้รู้สึกตัวชัดๆมันก็เลยกลายเป็นเพ่งไป ม, มันก็ไม่ใช่โซ่แล้วมันเป็นเหล็กเส้นแทนแต่เหล็กเส้นนั้นก็ประเดี๋ยวปด็จก็ขาดอีกนะเพราะว่าเผลอไม่ว่าจะเพ่งแค่ไหนไม่ว่าจะบังคับจิตแค่ไหนมันก็ จิตมันก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะจิตเป็นอนัตตา ม, มันก็หลุดไปไหลไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคนที่ปฏิบัติใหม่ๆนี่หรือแม้แต่ปฏิบัติมานานเนี่ยบางทีก็แย้าไม่ออกระหว่างความรู้สึกตัวการเพ่งไอ้ฟุ้งเนี่ยพอจะรู้นะว่าเออมันต่างจากความรู้สึกตัวยังไงแต่ว่าจํานวนมากจะแย้ายไม่ออกระหว่างความรู้สึกตัวการเพ่งแล้วก็มักจะ ไปเผลอเพ่งเอาเพราะว่ามันมันดูง่ายดีมันชัดเจนดีแต่ว่าทําไปทำไมก็จะพบว่ามันมันเครียดขึ้นมาความเครียดนี่มันเป็นตัวชี้ตัวบ่งบอกว่าทําผิดละเพราะว่าถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะสบายๆมันจะไม่เครียดทําแล้วเครียดทําแล้วรู้สึกแน่นหน้าอก อันนี้ให้รู้ว่ามันเป็นเพ่งเป็นการเพ่งแล้วทำไมถึงแน่นหน้าอกนะเพราะว่ามันจะมีความพยายามไปบังคับจิตพยายามบังคับจิตให้ไปหยุดความคิดคนเวลาเพ่งเนี่ยมันมันจะอดไม่ได้ที่จะไปคอยไปเบรกไปห้ามความคิดเหมือนกับคอยตะปบความคิดและเวลาเราเวลาเราตะปบความคิดเนี่ยนะมันก็จะ มันก็จะกลั้นหายใจไปโดยไม่รู้ตัวสังเกต FC ดูเวลาเราเพ่งนี่นะเราจะกลั้นหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัววิธีสังเกตง่ายๆก็เช่นเวลาเราเวลาเราสนเข็มนะเวลาเราสนเข็มนี่เราต้องเพ่งนะและว่าส่วนใหญ่ 90% ก็จะกั้นลมหายใจสังเกต FC นะเวลาสนเข็มวเวลาตอนนั้นเราเพงนะ่งและพอเพ่งเนี่ยมันจะกั้นลมหายใจ แล้วพอการลมหายใจไปบ่อยนะก็จะเกิดอาการแน่นหน้าอกหน้ามดืดแต่ว่าเราไม่ค่อยมีอาการแบบนี้กับการสนเข็มเพราะว่ามันทำาปเดียวเดียวอาจจทักสิวินาทีหรือสองสนาทกีก็จบแล้วแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเป็นวันหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันและพอเพ่งนะคอยจ้องความคิดนนะมันก็จะอด หายใจไม่ได้แล้วพอกั้นหายใจบ่อยๆก็จะรู้สึกหน้ามืดจะรู้สึกเครียดขึ้นมาอาการเหล่านี้มันมันบ่งบอกว่าทําไม่ถูกเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวแต่เ ร, เราใช้การเพ่งนะซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องแต่ประโยชน์ก็มีนะเพราะว่ามันเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเราทําผิดแล้ว อย่าไปอย่าไปพยายามดื้อรั้นทําต่อไปนี่คือสัญญาณเตือนว่าทําผิดลแล้วเราคอ่ อ, คอยค่อยผ่อนผ่อนจิตใจหรือว่าผ่อนความตั้งใจออกมาหน่อยตั้งใจมากก็ไม่ดีนะอย่างที่พระเจ้า ไ, ได้สอนพร ะ, ะ, ระพสนะโกริวิสาเพราะตัวโกริวิสานี้ตั้งใจปฏิบัติมากแต่ว่าทําความเพียนมากเกินไปแผลมจะเอาให้ได้เอาให้ได้ต้องการจะบรรลุธรรมให้ได้ ก็เดินจงกรมทั้งวันเดินจงกรมวันแล้ววันเล่าแต่ว่าเนื่องจากตั้งใจจะเอาให้ได้จะอาให้ได้เนี่ยก็เลยเครียดแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่เท้าบางนะเป็นพวกสุขุมารชาตเท้าบางมากเท้าก็แตกพอเท้าแตกแล้วก็ยังไม่เลิกแล้วก็พยายามที่จะทําต่อเดินไม่ได้ก็คลานเท้านี่เลือด ก, ก็ไหลซิบซิบ มีเลือดยาวเป็นทางเลยทางจงกรมนะนะก็ยังไม่เห็นไม่รู้ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยต็ท้อแท้นะคิดว่าตัวเองนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้ทำได้จนถ้าผู้เจ้าต้องเสด็จมาแล้วผู้เจ้าก็สอนสอนด้วยการเปรียบเทียบกับพินสามสายเพราะว่าพระสนะนะเคยเป็นคนที่ดิดพินก็ ถามพระโสนนะว่าเนี่ยถ้าพินเนี่ยมันขึงตึงไปเนี่ยเพราะไหมดีแล้วเพราะไหมก็ไม่เพราะถ้าผินเนี่ยขึงหย่อนไปเพราะไหมไม่เพราะต้องขึงพอดีพอดีแล้วขุจารกาต่าเนี่ยต้องให้มีความเพียรแต่พอดีให้มีความเพียรแต่พอดีเพียรมากไปก็ไม่สําเร็จเหมือนกันนะเพียรน้อยไปก็ไม่ถูกพระโสนนะก็เข้าใจนะ แล้วก็วางใจพอดีเําว่าเพียงแต่พอดีเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านก็หมายถึงวางใจพอดีพอดียิ่งคิดจะเอาคิดจะเอาหรือคิดจะไปห้ามความคิดนี้ก็ยิ่งยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นแตส่วนใหญ่ที่เพ่งกนะี่เพราะว่ามันคิดอยากจะเอาชนะความคิดอยากจะไปห้ามความคิดอยากจะให้หยุดคิดนะอันนี้เรียกว่าวางใจไม่ถูกนะวางใจไม่ถูกต้องวางใจพอดีพอดี ความังงใจพอดีมีททำให้ความเพียร น, นะนั้นมันพอดีไปด้วยถ้าทำความเพียรแต่พอดีแล้วทำได้เรื่อยๆนะทาได้เรื่อยๆแต่ถ้าทาความเพียรไม่พอดีตึงไปเนี่ยมันทำได้สักพักไม่นานก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจทางสายกลางกับความเพียรแต่พอดีนี่มืนคนละอันกันนะความเพียรพอดีท่านมีคำเรียกว่าวิริยสัมมาตา วิญญาสมตรติคือการทำความเพียรแต่พอดีอันนี้แหละน ะ, ะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำความเพียรแต่พอดีเนี่ยไอายการเพง่งการจ้องเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆ ค, คลายไปความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมาได้จากการที่เรามีความเพียรแต่พอดีอันนี้มันคนละเรื่ อ, กองกับทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็ว่าไปอันนึง แต่ว่าความเพียนแต่พอดีก็จําเป็นเหมือนกันที่จะทำให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าได้คนที่คิดแต่จะเอาคิดจะเอาคิดจ ะ, ะตะปบความเพลินให้ได้เนี่ยสุดท้ายก็จะเครียดพอเครียดแล้วก็ท้อ แ, แท้ก็จะปฏิบัติได้ไม่นานัาการวางใจแต่พอดีนี่สําคัญมากในความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่วางใจพอดีพอดี จะเผลอบ้างจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันหลวงพ่อคําเขียนท่านก็เน้นอยู่เสมอน้คําว่าช่างมันช่างมันอันนี้สําคัญมากช่างมันไม่ทําให้ระวังใจเป็นก็ค่อยวางใจเป็นกลางเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็ทําให้ความสึกตัวเนี้ค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยเกิดขึ้นมาในางานอินทรีย์จะเอาถ้าทําด้วยความอยากเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเพ่งและพอเพ่งแล้วยังก็ผิดทางแล้ว รู้ก็ใหม่ๆก็รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างทำไปเรื่อยๆเพ้อบ้างนะรู้บ้างก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเมื่อวางใจพอดีความสึกตัวก็จะค่อยค่อยจเจริญงอกงามมากขึ้นเอาละนะทำอยเพื่อนนี้